ทานฝั่งที่คุณรงคาประมารชาควโรได้พบกับท่านทั้งหลายผ่านไปในช่วงก่อนหน้านี้ท่านอยู่ที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบนะคะตอนนี้จากวันาป่าพงลำลูกกาคลองสิบจะพาท่านไปนู่นเลยค่ะอุดรธา น, นีอำเภอหนองหานไปที่วัดป่าดอนายสุขจังหวัดอุดรธา น, นีเพื่อที่จะพบกับพระพัยบุอ์อภิปุนโนนะคะน้อมสักการกระทันคะ่ะใช่เชิญปอค่ะก็อยู่ถึงอุดรแต่ด้วยเทคโนโลยีก็ทําให้ เราทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะที่ดีๆจากพระอาจารย์พิบุญกันอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้เขาก็รายการวิทยุก็ไปออนไลน์นะทั่วโลกกฟังได้หมดเลยใช่ค่ะคือดีมากๆเลยโลกเรานี่มันดูเหมือนกับโอ้โหมีความสามารถที่เคยกว้างใหญ่เหลือกะติ๊บเดียวใช่ใช่พูดถึงถ้าสมมุติว่าเรามองไปข้างหน้า อันนี้ดิฉันถามท่านในฐานะที่ท่านเป็นวิศวกรก่อนนะคะว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางใดอีกเอ่อไปได้ทุกทางเลยคุณโยมติว๋วเนื่องจากว่าปัญหาของคนมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยมันก็ไปได้มันก็จะไปนอกโลกไปนั่นไปนี่อะไรเต็มไปหมดทุกที่อะไรที่จะไปได้ก็ดูเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยพยายามที่จะสร้างปฏิหารเหมือนกันนะคะอภิญหาน่ะ คือเหมือนกับว่าในศักยภาพลำพังอาวัยวะแขนขามือไม้สติปัญญาของมนุษย์ถ้าหากว่าไม่ได้ไปประกอบ ก, บกับการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ในขีดจำกัดแต่เหมือนกับว่ายิ่งคิดมันก็โอ้โหดูยิ่งมนุษย์มันเก่งเหลือเกินนะคะก็คนในสมัยก่อนเนี่ยอย่างเขาอาจจะมองว่าการที่เครื่องบินหนักเป็นแปดตันเก้าตันเนี่ยบินขึ้นไปบนสองฟ้าแล้วอ้นี่มันเรื่องบาฏิหาร นั่นเป็นหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาซึ่งทุกวันนี้เราบินกันเป็นว่าเล่นใช่ไหมซึ่งก็เหมือนกันว่าเวลาที่ในอดีตเนี่ยมันอาจจะเรื่องที่มีอะไรทําไม่ได้ในอนาคตจากวันนี้ไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรที่เรายัางคิดว่าไม่ทําไม่ได้โ อ, อ้มันเป็นปาฏิหาริมันก็มีได้ทั้งนั้นแต่แต่ว่าปาฏิหาริ์ที่พระเาพูดถึงก็มีอยู่แต่ก็มีอยู่สามอย่างเท่านั้นเองคือเป็นอาการของเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยแต่การที่จะหายตัวได้ในการที่จะรู้ว่ารจิตคนเราจนทั้งถึง ให้เป็นพระอรหันต์ได้ก็อยู่ในปาฏิหาริย์พวกนี้เหมือนกันค่ะท่านคะแล้วถ้าจะคิดกันต่อไปนะคะคนในโลกปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีความทุกข์ชนิดที่ว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์ที่สติปัญญาจะฉลาดอย่างไรคอมพิวเตอร์จะพัฒนาไปอย่างไรก็ต้องกลับมาเข้าวัดอยู่ดีสมมุติถ้านับถือาศาสนาพุทธนะคะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าเทคโนโลยีเนี่ย จะแก้ความทุกข์ของมนุษย์อย่างชนิดที่ภาษาสดาแก้ได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาหาภาษาสดาอีกแล้วมีอ่จารมาเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะเป็นการดีมากถ้าใครมีเครื่องที่สามารถดูดกิเลสคนออกได้นะเอาเครื่องนี้มาเลยดู ด, ด, ดูดูดให้หมดนะดกิเลสคนเนี่ยหนาๆนีนนนนนน่เอามาดูดออกเลยมันไอเครื่องมือประเภทเนี้ยมันก็ต้องมีเป็นลักษณะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะ มันจะไม่ใช่เครื่องที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่ต้องมีระบบความดันระบบใบพัดอะไรต่างคงไม่ใช่เพราะว่ากิเลสมันอยู่ในจิตไงคุณยมติ๋วคือพอท่านพูดอย่างนี้ดิฉันก็กำลังจินตนาการว่าเครื่องนี้จะต้องสร้างจากอะไรจะต้องมีความแข็งแรงทนทานรับมือกับคนทั้งโลกได้กระนั้นเฉลือเพราะว่าดูเหมือนกับว่าไม่มีใครไม่มีกิเลสม่นใช่หอือก็มีพระอรหันที่ไม่มีกิเลส เพราะนั้นการที่เราจะจัดการตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าให้เครื่องมือมาแล้วคือธรรมจักนะจักที่สามารถตัดไอ้กิเลสลองไปแซะรากเงาของอวิชชาขึ้นมาได้ได้นี่ก็ใช้ธรรมจักนี่แหละในการที่จ ะ, ะแก้ปัญหาตรงนี้แต่คตําตอบของท่านเนี่ยหมายความว่าเทคโนโลยีแก้ไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องกลับมาพึ่งพระพุทธเจ้าเทคโนโลยีมันก็พึ่งพาอาศัยกันได้อย่างทุกวันนี้เราพูดกันอยู่ที่หนึ่งคนละที่แล้วอีกคนนู้นได้ยินเนี่ยมันก็เพราะว่าระบบของ เทคโนโลยี uh, ที่เราเรื่องของ Fre ควินซี่ o อดูเลชันที่จะส่งกระดาษเสียงไปได้นี่ก็เราก็พึ่งเทคโนโลยีอยู่ใช่ไหมก็เพึ่งพาอาศัยกันว่างั้นเถอะนะจิตใจคนเรามันก็ต้องสูงขึ้นทําให้ดีขึ้นด้วยการที่มีธรรมะคนจิตใจดีสูงขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจเป็นสมาธิคิดอันนั้นอันนี้ออกการงานของเราก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นในด้านของสิ่งที่จับต้องได้ก็ก็พึ่งพาอาศัยกันอคื อ, อเครื่องไม้เครื่องมือนั้นถือว่เป็นฮาร์ดแวร์ แล้วก็เอาธรรมะเป็นซอฟต์แวร์ใส่เข้าไปแล้วก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งแต่ไม่ได้สําเร็จได้โดยฮาร์ดแวร์แต่เพียงอย่างเดียวใช่ร่างกายเราก็ต้องมีทั้งกายและใจเหมือนกันใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะทีนี้เทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าเมื่อก่อนนี้เราดูโทรทัศน์จากขาวดามาเป็นทีวีสีจากจอปกติมาเป็นจอแบนแตะนะคะบางเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยมาถึงวันนี้ โทรทัศน์ซึ่งเคยมีจำกัดเฉพาะช่องอยู่ไม่กี่ช่องกลายเป็นว่ามีเคเบิลทีวีมีจานดาวเทียมใช่ไหมคะที่เราดูได้รายการทั่วโลกเลยขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพของเราจะใช้ดาวเทียมอะไรนะคะใช้จานที่รับดาวเทียมอะไรได้ mm hmm. มันก็เลยทำให้รายการทั้งหลายเนี่ยคนธรรมดาธรรมดาทั่ ว, วไปแบบเราถ้าสนใจจะทำก็สามารถที่จะเข้าไปทำได้ แล้วก็จ ร, จริงๆความเป็นนักสื่อสารมวลชนท่าที่ผ่านมามันต้องมีหลักวิชาการมันต้องมีจริยธรรมคุณธรรมพิเศษคือรับผิดชอบสังคมเพราะว่าเผยแผ่ข้อมูลออกไปให้กับสังคมจำนวนมากนะคะการจะค้าขายสินค้าอะไรก็ต้องให้มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภครองรับมีออยยอรองรับ mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้คะ่ะท่านคะ mm hmm. จะมีรายการแปลกๆ แ, แล้วบางรายการเนี่ยเราก็งงๆนะคะ มาขายวัตถุมงคลเป็นต้นนะคะบางทีบอกว่าเนี่ยเป็นขนมของเทพเจ้าเนี่ยนะขายเป็นกล่องขายดีขายดีเป็นทูกกลิ่นที่เทพเจ้าในชอบอกลิ่นนี้สำหรับเทพเจ้าองค์นี้กลิ่นนี้สำหรับคนเกิดวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทีฉันข่ามาที่ว่ามีอาหารของเทพเจ้าใส่กล่องขายแล้วขายดีทีนี้ทราบว่ารายการประเภทเนี้ยคนทารวยมากมก็จึง น่าจะเกิดคนที่อยากจะรวยแบบเนี้ยทำตามๆกันไปน่าเป็นห่วงสังคมเหมือนกันกนะคะท่านอาจารยอันนี้เราก็ต้องให้ทราบว่าสังคมก็ต้องอทราบข้อมูลที่ถูกต้องคือคือข้อมูลที่ถูกหรือผิดเนี่ยมันมีหลักการที่พระเจ้าให้ไว้อยู่แล้วแต่ <c oughs> ถ้าเราใช้หลักการนี้เราเราช่วยกันในรายการที่ดีๆอย่างรายการไหนก็แล้วแต่รายการนี้เป็นต้นนะนะเราช่วยกันกระจายข้อมูลที่ถูกต้องไป คนที่เขารับข้อมูลเขาก็ต้องพิจารณาดูแหละไม่ใช่ว่าตาบอดตาเถือกไปแล้วก็ทํานู่นทํานี่ตามที่เขาว่าวธิธีพิจารณาเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วล่ะคุณโยมติวค่ะในสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยมีคนเขาบอกว่าอย่างนี้อย่ ง, งี้อีกคนหนึ่งนะก็บอกอย่า ง, งนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่ง2อย่างอย่างนี้กับอย่างนั้นเนี่ยตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงค่ะอ่าที่ที่บอกว่าอย่างนี้กับอย่างนั้นตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงที่เราจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้ามีวิธีพิจารณาอย่างไรนะในเรื่องของกลามะสูตรก็ได้ตรัสไว้ว่าถ้าดูน ะ, อ, ะอย่าเพิ่งบอกว่าเพราะคนนี้น่าเชื่อถือเรียนจบเมืองนอกนะแล้วก็มีอํานาจจิตอะไรต่างๆฟังดูน่าเชื่อถือก็ยกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งเชื่อยกไว้ก่อนอคนนี้แหมฟังดูมีเหตุผลอย่างดีมากเลยอ่ะเรายกไว้ก่อนอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งเชื่อ แล้วเราก็มาตรวจสอบด้วยการที่ถ้าทําแล้วอกุศลทําเกิดนะจิตมีราคาจิตมีโทสะมโีโมหะไออันนี้ไม่น่าจะถูกนะแต่ถ้าทําแล้วเออมีราคะลดลงไปโทสะลดลงไปโมหะลดลงไปดั้นะจิตใจเราสบายขึ้นเย็นขึ้นเบาขึ้นเอออันนี้ให้เชื่อได้ให้พิจารณาเองอย่างนี้เพราะฉนั้นเราก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้วนะก็พิจารณาตามหลักที่พระเจ้าให้ไว้นี่แหละ ถ้าสิ่งนั้นเอามากินดูแล้วสบายใจไหมหรือว่าชีวิตเราดีขึ้นไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็เพราะสิ่งอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะหรือว่าอ่าปกปิดไว้ทํากันลับๆล่อๆอย่างเงี้ยสิ่งนั้นเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเองอเป็นเป็น <ไง S 1> ลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเมื่อเปิดเผยออกมาเนี่ยยิ่งจะเจริญแต่อะไรที่ยิ่งปกปิดเอาไว้เนี่ย ยิ่งจะเจริญ น, นั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเปิดเผยแล้วจึงเจริญใช่อะไรที่ปกปิดไว้แล้วเจริญไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอืมไม่ใช่นี่นาะอันนี้เป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมทุกวันนี้เข้าใจว่าจะต้องใช้การวิจา ร, รณญาณอย่างสูงอืมเพราะว่าคงจะไปไล่ตรวจสอบใครมัยากแล้วค่ะเพราะมันมาทุกสารทิศนะคะท่านคะ ก็อั น, นี้แหละผู้ที่รับฟังเองผู้ที่ได้รับผัดษาเองเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือคือพุทธวจนะในการตรวจสอบตรงนี้คือสังคมเราสบายเลยนะไม่ต้องมีหน่วยงานไหนคือหน่วยงานผู้ตรวจสอบเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรวจสอบถูกวิธีหรือเปล่าที่จะไปตรวจสอบเขาอะนะค่ะทีนี้ว่าถ้าเราให้เครื่องมือช่วยกันกระจายไปทุกคนร่วมกันตรวจสอบนะโดยการใช้หลักพุทธวจนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นการป้องกันแก้ที่ต้นเหตุเลยผู้ที่รับฟังเองเนี่ยตรวจสอบเองซะ แลับสุดท้ายช่องนั้นอยู่ไม่ได้หรือว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถดําเนินการตอบได้เขาก็เลิกไปเองอซึ่งการรักษาตนเนี่ยจะว่าไปาเป็นเรื่องที่จําเป็นไม่มีใครจะมาดูแลปกป้องเราได้ดีทัตวตัวเราเองนะคะถ้าจะพิจารณาไปอะคะใช่ต่อให้คุณจ้างนะจ้างเลขาส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาก็ทํางานอยู่กับคุณได้แค่แปดชั่วโมงเท่าที่เขาไมไม่มา หรือว่าถ้าคุณจ้างเป็นแบบกะเลยเอา24ชั่วโมงนะจ้างสามคนคนละ8ชั่วโมงเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในห้องน้ําอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเราจะอยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาสติเราต้องมีนะฮะอินทรีย์เราต้องมีการรู้จักรักษาตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีการทํายน์ิโมสมนัิการอยู่อยู่ตลอดเวลามัน <c oughs> ถึงจะไปได้ <c oughs> สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยว่า จะจ้างใครมาดูแลดูแลให้ดีเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถดูแลเราได้ทั้ง24ชั่วโมงทุกนาทีทีนี้ทำให้ดิฉันหวนคิดถึงคำถามที่เคยกลาบเรียนถามท่านไปเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ที่ห่วงลูกเนี่ยค่ะอยากจะกลับเรียนถามซ้งอีกครั้งหนึ่งว่าก็คงจะเช่นเดียวกันพ่อแม่ดูแลลูกให้ดียังไงบางคนเนี่ยให้ลูกใช้โทรศัพท์มือถือให้ลูกทุกอย่างนะคะ แต่ถึงเวลาจะตามลูกไม่ได้เนี่ยทั้งๆ ท, ที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างตามไม่ได้ในี่โหพ่อแม่จะเป็นจะตายการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้ลูกตามหลักพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นอย่างไรอขอ อ, รอีกครั้งได้ไมครัอ่พาพระเจ้าได้ตรัสไว้นะถึงวิธีที่พ่อแม่ต้องทำหน้าที่กับลูกนะก็คือว่าเรื่องของการให้อ่าเขาเรียกว่าให้ตั้งอยู่ในความดีนะของดีๆเราเอามาให้การ ข้อมูลนี้ดีการมีคุณทำอะไรที่ดีๆสอนเรื่องความเป็นคน อ, อน่อนน้อมถ่อมตัวการมีความกระตัญยูพวกนี้เราต้องสอนนะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถามว่า ค, คุณสอนเนี่ยคุณสอนยังไง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณต้องเอาโทรศัพท์ให้แต่คุณต้องเอาคุณธรรมในการเป็นคนอดทนให้คุณธรรมในการเป็นคนเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่อ่อนน้อมถ่อมตนให้ถามว่าตรงนี้มันให้กันยังไงมันให้ทางผัสสะ ถามว่าพ่อแม่เนี่ยพอโดนอะไรที่ไม่พอใจก็โวยวายโบกเวกโปกเป๊ออกมาเนี่ยลูกก็เห็นแล้วว่าอ๋อถ้าเจอไม่พอใจต้องทําอย่างนี้โอเคฉันเรียนรู้ทันทีเรียนเร็วนะเด็กอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอดทนนะเราเห็นสัตว์รที่ไม่พอใจฉันอดทนเอ๋ยเขาก็จะซึมซาบสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเป็นการที่ให้ตั้งอยู่ในความดีนะ อ, นอันที่สอบไม่ใช่ว่าให้โทรศัพท์นะไม่ได้มี <c oughs> ในพุทธวจนะ เพราะฉะนั้นอันที่สองเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงห้ามเสียจากบาป <c oughs> ห้ามเสียจากบาปนี่ก็คือว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ดีอย่าให้เขาทำนะอย่างเช่นว่าเสพ ย, ยาเสพติดเพื่อนชั่วาการไปทำไปในที่อโักโงจรนะตรงนี้เราต้องบอกเขาไม่ให้เขาทำไม่ให้เขามี <c oughs> อันที่สามก็คือว่าให้ศึกษาศิล ป, ปวิทยาให้ถือหนังสือส่งไปโรงเรียน หากุ๊กมาสอนหรืออะไรต่าง ๆ, ๆที่ต้องให้เขามีการเรียนรู้ไม่ให้มีการศึกษาศิลปะวิทยาอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําเดี๋ยวต้องการจะยันย้ำสองข้อแรกที่สําคัญนี้ให้มากขึ้นอีกนิดนึงคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องห้ามบางทีเราก็ต้องให้นะไม่ใช่ให้อย่างเดียวให้ให้ให้ใ ห, ให้ขออะไรก็ให้หมดอันนี้คุณเลี้ยงลูกไม่ถูกวิธีคุณทําหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ถูกวิธีแล้วอย่าหวังนะว่าลูกจะไม่เป็นภยัยลูกจะเป็นภัยกับเราแน่นอนค่ะ okay. แต่ถ้าเราทําหน้าที่ของเราถูกวิธีแล้วเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าทิศนั้นเนี่ยจะเป็นทิศที่เกษมปิดกั้นแล้วไม่มีภัยเกิดขึ้นไม่เป็นภัยกับเรานะลูกเราจะไม่เป็นภัยกับเราห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรที่ไม่ดีห้ามอะไรที่ดีให้อันที่3มคือให้มีศิลปะวิทยาแล้วก็อันที่4คืออันที่4ี่คือให้มีคู่ครองที่สมควรหน้าที่ของมารดาบิดาและอันที่5 คือมอบมรดกให้ตามเวลาค่ะเนี่ยกถ้าคิดว่าเราต้องการจะทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นการดูแลลูกอย่างถูกต้องตามธรรมอีกด้วยคำสอนของพระพุทธองค์น่าสนใจมากนะคะสำหรับท่านพ่อแม่ผู้กครองทั้งหลายที่จะนำไปใช้เพราะว่าในโลกนี้มันก็มีความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะพ่อแม่ลูกจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั่วไปหมดนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษว่ามันห่วงกันจริงๆ ถึงขนาดพระพุทธองค์ที่ฉันจำได้ตอนเรียนหนังสือว่ามีลูกในชื่อราหุนแปลว่าห่วงแน่นอนเ่ะพ่อแม่ใครๆก็ต้องรักลูกคุณโยมติ๋วเพราะว่าเกิดมาจากเลือดในอกของตนนะเกิดมาจากมีคือเนื้อและเลือดเนื้อและกระดูกของลูกทั้งหมดนี้มีมาดาบิดาเป็นแดนเกิดมันก็ต้องรักเป็นธรรมดาแล้วก็ให้รักตามธรรมอย่างนี้แหละ นะคะนนค่ ะ, คะก็เป็นของดีที่ฝากไว้ในาการสัมสีน์สัมธนาโดยพระอาจารย์ภัยบุญอภิบุญ โ, โนจากช่วงเวลาที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะนะคะนวัส ก, การขอบพระคุณค่ ะ, ะค่ะท่านฟังที่รครบค่ะส่วนท่านที่สนใจการแสดงดนตรีไทยพันน า, นาที่ฉันได้พูดไปเมื่อวันสองวันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะคุณหมอธรรรงรัตแก้วการท่านฝากมาว่าจะแสดงกันในเรื่องสิริปริตรธรรม มหาพุท ธ, ธานุภาพในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมเวลาบายโมงครึ่งถึง6โมงเย็นที่หอประชุมใหญ่ชั้น1ิอาคารเฉลิยงพระเกียรติ6กรอบโรงพยาบาลพระมงกุฎท่านสามารถที่จะติดต่อสำรองที่นั่งนะคะได้ที่หมายเลข 02-354-7732 ดูฟรีนะคะส่วนรายการของเราฟังฟรีฟังจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงีหครึ่งหนังสือกแจกฟรี ที่022690006 CD ก็แจกฟรีแจกที่เปิดเดียวกัน022690006คำถามท่านก็ถามได้ฟรีที่ p e e l t h a m a c o m 1 0 6วันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการสัมสนีสนทนาในวันพรุ่งนี้เวลาตี5เช่นเคยนะคะพุทธสวัสดีค่ะ